อย่างของเราเนี่ยเรียนธรรมะถามว่าสนุกไหมเอ๊ะมันก็คิดเหมือนกันนะแต่คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วอาจจะสบายไงก็เลยทนเรียนต่อไปบ้างทนเรียนบ้างเรียนทนบ้างก็แล้วแต่ใคร น, นะก็เนื่องจากคิดว่าตัวเองจะสบายต่อไปข้างหน้าความทุกข์เหล่าใดที่มีอยู่แต่ถ้าคิดถึงสุขต่อไปข้างหน้าพวกนี้จะสบายจะทนอยู่กับความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างคนที่พิจารณาชาติชรามรณะเป็นต้นในธรยามวาสุขหรือทุกข์ เห็นความเกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าถึงสภาพของความเกิดเนี่ยนะที่เกลือกล้วไปกับกองทุกข์ครับเปื้อนเลือดเปื้อนเหงือ่อเปื้อนน้าตาเป็นต้นเนี่ยถามว่าจิตใจของคนพิจารณาโดยมากจะเป็นยังไงใกล้ทุกหรือใกล้สุขใกล้ทุกหรือใกล้สุขโดยมากใกล้ทุกแต่เขาคิดยังไง ร, รู้ไหมเขาจึงไม่ทุก ความเกิดนี hmm. ่เป็นทุกข so? like, ์ถ้าดับความเกิดได้เป็นความสุขเข้าพิจารณาความเกิดเพื่อน้อมเพื่อความไม่เกิดเนี่ยนะเขาจึงทนพิจารณาความเกิดต่อไปได้ความแก่มันเป็นทุกข์ที่เขาคิดถึงความแก่ที่เป็นทุกข์ทนพิจารณาอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่ได้เพราะเขาคิดว่าถ้าดับความแก่ได้เนี่ยเป็นสุขเขาคิดถึงสิ่งที่มันตรงกันข้ามเน่นะเขาบอกว่าความเจ็บป่วยนี่มันจังทุกแท้ทุกแท้เนี่ยนะ เขาทนอยู่กับความทุกข์อันนั้นทนพิจารณาต่อไปได้เพราะเขาเห็นว่าถ้าดับความป่วยนั่นแหละเป็นความสุขแท้ก็บอกว่าความแก่เนี่ยความตายเนี่ยเป็นทุกข์แท้แต่คิดถึงความตายพระพุทธเจ้าสอนให้คิดถึงความตายให้เอาเป็นเป็นคำว่าอะไรนะกรรมฐานแปลว่าอุตสาหกรรมก็ได้อุตสาหกรรมทางความคิดเนี่ยนะคิดเรื่องความตายเป็นอุตสาหกรรมเลยคิดให้มากๆทั้งวันทั้งคืนได้พระองค์บอกว่าพระองค์คิดถึงความตายแทบจะทุกลมหายใจเขาออกว่างั้นเถอะ ก็แสดงว่ายิ่งกับอุตสาหกรรมอีกเป็นเครื่องจักรเลยนะอุตสาหะแปลว่าอะไรขยันกรรมก็แปลว่าทำที่ทําด้วยความขยันกรรมฐานก็แปลว่าฐานที่ตั้งแห่งการงานก็ทําด้วยความขยันอันเดียวกันนะั่นแหละแต่ใช้คนละภาษาเนนะี่ยะนั้นเกิดใครควรพิจารณาอย่างมากทุ่มเทอย่างเต็มที่พิจารณาถึงว่าความตายให้มากๆแต่ที่เขาพิจารณาอยู่ได้เพราะเขาคิดว่า ความตายเป็นวัตตะดับความตายได้เป็นวิวัตตะความตายเป็นสังขารถ้าดับความตายได้เป็นพนันิพานเพราะพิจารณาความตายเพื่อความไม่ตายเขาก็เลยพิจารณาอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะเขาคิดถึงอะไรนะอย่างบรรยากาศที่หนาวเหน็บแต่ถ้าคิดถึงว่ามีความอบอุ่นอยู่ข้างหน้าน ะ, ะถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กับความหนาวเหน็บแล้วจะ ใกล้เข้าไปหาความอบอุ่นคนที่พิจารณาความทุกข์ของวัตตะทั้งหลายที่เจือปนไปด้วยทุกขโธมนัตอาณชาติชรามมรณะเนี่ยนะความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ดับความเกิดได้เป็นสุขนิพพานที่ชื่อว่าอัชาตังธรรมชาติที่ดับความเกิดนี่เป็นสุขความแก่ของขันห้าเป็นทุกข์พระนิพพานที่อัชรังเนี่ยนะอัชรังเนี่ยธรรมชาติที่ไม่แก่เนี่ยเป็น ความสุขมันเขาจึงพิจารณาความแก่ต่อไปได้โดยที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เนี่ยพยยิจารณาอย่างมีความสุขเพราะเขาเห็นความสุขที่มันอยู่ข้างหน้าก็เหมือนกับ น, นักมวยที่แบบแม้เลือดโชคเลยแต่ตรู้ว่าตัวเองจะได้เข้มขัดงานนี้ยังไงก็ได้เข้มขัดเนี่ยนะทนไปเถอะเนี่ยนะจะถูกกี่ร้อยหมัดก็ช่างแต่ทนได้หมดอนะ่ะรู้ว่าตัวเองได้เข้มขัดแน่นอนเนี่ยนะมีกําลังใจ ย, ยิ้มแป้เลยนะนะหน้าบวมเจ๋งแล้วก็บอกตอนคาดเข้มขัดก็ยังยิ้มอีกนั่นแหละเพราะอะไรถ้าเพราะเห็นชัยชนะที่ตัวเอง ได้รับเนี่ยนะคนที่เจริญวิปัสนาทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จะมีความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่ขณะนั้นเนี่ยพิจารณาดูเหมือนว่าทุกข์มากแลนะ้วแหละแต่ก็กระยิมในความสุขที่ตัวเองจะได้รับเพราะเห็นอย่างคนที่ทํางานหนักๆเนี่ยนะเห็นผลตอบแทนเอาเห็นผลตอบแทนที่ที่แบบแหม่คุ้มกับค่าแรงะนะถ้ารู้สึกว่าคุ้มเมื่อไหร่คนจะทนได้เจ็บปวดขนาดไหนก็ทนได้นะนะขันยองเขามาเล่าให้ฟังว่าหน่วยฝึก น่วฝึกมนุษย์กบมนุษย์อะไรก็ช่างเถอะที่มันฝึกแบบหาโหดทั้งหลายเลยเนี่ยนะอย่างเช่นพวกพวกอะไรนะพวกทหารในตอนที่ไปฝึกฝึกเนี่ยคิดว่าตัวเองฝึกจบแล้วก็เพราะนึกถึงความจบนึกถึงข้างหน้าเขาพวกนี้เลยมองไปข้างหน้าเมื่อมองไปข้างหน้าฉันใดคนที่จเจริญวิปัสนาทั้งหลายที่พิจารณาสังขารธรรมโดยความเป็นทุกข์เนี่ยพิจารณาต่อไปได้โดยที่ไม่ไม่ถูกทุกข์ครอบงําในใจเนี่ยนะ สภาพจิตไม่ถูกทุกข์บีบคั้นเนี่ยเพราะบุคคลเหล่านี้มองเห็นความสุขข้างหน้าที่เรียกว่าเจริญอมองเห็นว่าการพิจารณ า, นานเนี่ยนะเช่นตัวพิจารณาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌคเจริญอันนี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะเขามองเห็นความสุขชั้นสูงอยู่ข้างหน้ามองเห็นความสุขที่ที่แท้จริงเนี่ยนะ อย่างคล้ายๆกับว่าพวกที่อบพยพจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งไหแม้จะเดินทางด้วยความเหนื่อยยากแต่เมื่อไปถึงดินแดนแห่งนั้นแล้วบอกแม่สวรรค์เลยเนี่ยนะถ้าคิดได้อย่างนี้จะจ ะ, จะเหนื่อยขนาดไหนก็ทนจะลําบากขนาดไหนก็สู้เพราะอะไรเพราะคิดมองเห็นสวรรค์ข้างหน้าเรียกว่าเรียกแบบในโลกเนี่ยมองเห็นดินแดนที่ผาสุขอยู่ข้างหน้าไปแล้วเนี่ยนะเคยเคยเห็นไหมพวกนักสแสวงนักธรรมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะนักสแสวงหา ทำเลที่ดีเนี่ยนะโอยกว่าจะไปพบสถานที่ที่ตัวเองควรจะบากบันเรียกว่าทางรักเรียกว่าตัดป่าโค่นต้นโค่นต้นไม้เป็นต้นเพื่อจะทําทําเลที่ตัวเองจะประกอบอาชีพคิดว่าตรงนั้นคือดินแดนสวรรค์เนี่ยนะพวกนี้จะทุ่มเทหน่วยเป็นหวัดเป็นมาลาเรียก็ไม่กลัวตายเนี่ยนะทำจนได้แหละแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยคิดว่าถ้าสวรรค์ของตัวเองอยู่ข้างหน้าพวกนี้จะทนได้หมดอนะ่ะแล้วถามว่าถ้าคนที่คิดว่านิพพานอยู่ข้างหน้าล่ะ จะพิจารณาต่อไปได้ไหมเพราะะั้นการพิจารณาของคนเนี่ยเป็นเข้ า, ขาพิจารณามองไปข้างหน้ามองเห็นพระสุขคือพระนิพพานเนี่ยสูงสุดเขาจึงจเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีขันติที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิมีขันติที่จ ะ, จะเจริญสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะเขาเสียกวัสดละสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันไพบูรณ เนี่ยนะเขารู้ว่าเออเนี่ยทุกอย่างเนี้ยมันอาจจะเสียสละความสุขบ้างแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ข้างหน้าสุขที่แท้เนี่ยนะสุขที่ผู้ใดก็ต้องการสุขที่แท้ที่ผู้ใดก็ปรารถนาเนื่องจากว่าอย่างพระองค์เนี่ยนะสร้างบารมีทนทั้งอไเรียกว่าได้รับความสุขอย่างท่วมท้นแต่ก็ไม่ติดในความสุขถูกความทุกข์ครอบงำอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ ไม่อะไรนะแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รำพึงรำพันแบบกบถูกแบบภาวะเก็บกดมาเนี่ยนะไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองถูกเก็บกดมาไม่ พระองค์ก็มีความสุขต่อไปเพราะพระองค์มองออกว่าต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างไรพระองค์จึงเป็นบัณฑิตรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งถ้าจะได้ประโยชน์โลกนี้ต้องทนทุกข์แค่ไหนต้องลำบากขนาดไหนจึงจะได้รับประโยชน์โลกนี้ถ้าจะได้รับประโยชน์โลกหน้าจะต้องทุกข์แค่ไหนจะต้องลำบากอย่างไรจะต้องทําอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์โลกหน้ามันแล้วประโยชน์อย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องทําอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์ โลกหน้าอย่างสูงสุดเพราะบุคคลที่เจริญอย่างนี้พวกนี้ไม่สับสนในวิธีการเนี่ยนะไม่วิสิไม่สับสนในวิธีการคือสมถะและวิปัสสนาไม่สับสนในตัวสมถะและวิปัสสนาเพราะใ้ระหว่างการเจริญสมถะวิปัสสนามันก็มีอุปสรรคบ้างเนี่ยนะก็เหมือนกับคนเดินทางเอากรุงเทพก็อุปสรรคเยอะทำไมทุนกันอยู่ก็ไม่เห็นที่จะออกไปเลยเอนะ่ะนห วันวันอาทิตย์เนี่ยนะวันสุดท้ายของวันหยุดเนี่ยเห็นติดกันมาเข้ามาเนี่ยนะก็รู้ว่ามันจะติดนะเห็นก็ไม่เห็นว่าใครอยากออกเท่าไหรเลยนะถนนต่างจังหวัดบอกมันโล่งแต่ไม่เห็นมีใครอยากเอารถไปวิ่งอยู่แถวนั้นเนี่ยถนนที่โล่งๆถามว่าเพราะอะไรแสดงว่าเห็นสุขมากกว่าความทุกข์ก็เลยทนอยู่กับความทุกข์หลายๆตัวได้แต่ถ้าคนที่คิดว่าเออเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนะมันมีภาวะที่สูงที่สุด เขาก็อาจจะทุกบ้างหรือสละความสุขออกไปบ้าง น, นะก็สละสุขบางอย่างที่เป็นสุขที่เจือด้วยอามิดสุขที่เป็นเยื่อล่อของวัตตะก็สแสวงหาความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ได้ปฐมฌานพระองค์ก็ไม่ติดในความสุขของปฐมฌานถามว่าทำไมเพราะพระองค์เห็นความสุขของนิพพานเห็นความทุกข์ของปฐมฌาน เอาเห็นความทุกข์ของปฐมประชานี่เห็นทุกอย่างไรเคยทานอาหารอร่อยอร่อยไหมอาหารที่เราพอใจทุกทุกอย่างนะทุกในโต๊ะเนี่ยเราชอบหมดเลยอร่อยทุกอย่างแต่พอคิดถึงนะกว่าจะมาเป็นอาหารเหล่านี้มาอย่างไงทานเสร็จแล้วเราล้างชามเองหมดเลยเดี๋ยวนะหืมเราเช็ดโต๊ะปรุงอาหารทําเองหมดต้องเก็บเองหมดแล้วได้เวลาต้องมาปรุงเองแต่ปรุงอาหารที่ตัวเองชอบที่สุดเนี่ยนะแต่ขั้นตอนเนี่ย สมมติว่าอิ15สิบห้านาีนั่งทาน15นาทีเนี่ย น, น, นะแล้วอ่ะต้องทำสามชั่วโมงเนี่ยนะทั้งก่อนทำแลหลังทําใช่ไหมชีวิตของแม่ครัวทั้งหลายหมดชีวิตอยู่กั บ, กบเนี่ยพวกโต๊ะเตาแก๊อะไรทั้งหลายแล้วก็หมดกับช่วยกับชามมวกกับน้ํายาล้างจานซักเระว่าอะไรหงายคว่ำจานอยู่แค่นั้นอ่ะมันหมดไป ว, นนวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปชาตินึ่งละนะแล้วก็ถ้าแบบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยก็ต้องซักผ้ามั่งเรื่องอาหารม้างมอไปอีกชาติหนึ่งแล้วเนี่ยนะ นี่ถ้าหากว่าอาจจะอร่อยแต่แม้ความอร่อยทำไมช่างเล็กน้อยเหลือเกินเนี่ยนะฉันใดถ้าผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษของการมาสุขทั้งหลายก็ฉะนั้นจึงน้อมไปเพื่อสุขที่ประนีตจึงน้อมไปที่สุขที่กเกษมคืออมะตะสุขเนี่ยนะอย่าง ปฐมฌานที่พระองค์เจริญเนี่ยพระองค์เห็นแล้วว่าปฐมฌานเนี่ยสภาวะของตัวปฐมฌานเองก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปร ى, ปลีนไปเป็นธรรมดาโดยธรรมชาติของตัวมันเองสองถ้าบุคคลที่ประมาทไปเกลือกกลัวในสิ่งที่เป็นเหตุฝ่ายเสื่อมปฐมฌานก็เสื่อม จะต้องดูแลบำรุงรักษาจึงปฐมฌานจากคงเดิมคือปฐมฌานถ้าเปรียบเป็นรู ป, ปรธระทก็เหมือนกับเงินแสนล้านเนี่ยนะหาหได้แสนล้านนี่ยากไหมยากถามวารักษาล่ะยากกว่าแล้วทําให้มันเป็นสองแสนล้านนนียากกว่ากันอีกก็ทำให้คือเห็นภาระของชั้นใดเห็นภาระของปฐมฌานถึงจะดีเยี่ยมก็จริงแต่ก็มีภาระเพราะเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะแต่พอถ้าหากว่า เห็นทุติยาชาญแต่ก็ทุติยาชาญมันมีคุณค่าสูงไปกว่านั้นเนี่ยนะและตะติยาชาญจะตุตชาญที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนรูปชาญอรูปชาญนีมถึงจะได้รับถึงขนาดนั้นน่ะท่านก็เห็นความไม่เป็นสาระของชาญทั้งหลายเพราะไม่มีสาระคือความเที่ยงอยู่แท้จริงไม่มีสาระคืออัตตาและภาวะในสิ่งที่เนื่องด้วย อัตตาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายอันนี้จะหาว่าตสังขารสังขารทั้งหลายอย่างไรก็ไม่เที่ยงอย่างปฐมฌานเนี่ยนะสมมติถ้าทุกครับผูเรามีฌานสมมุตินะอาศัยปฐมฌานเนี่ยใจของเรามีปฐมฌานใจนี้มันอันเนื่องด้วยกายไหมเนื่องด้วยกายถ้าแล้วกายมันเที่ยงไหมกายไม่เที่ยงแล้วฌานจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยง เอาร่างกายแม้สุขภาพแข็งแรงถ้าจุติจิตมันเกิดก่อนนะกายมันก็ไปไม่ได้ไนงะคือสรุปว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมันอิงอาศัยรูปอาศัยนามนามอาศัยรูป กายอาศัยใจใจอาศัยกายเนี่ยนะขั้นเมื่อพิจารณาโดยรอบครบถ้วนแล้วจึงไ ม, ไม่ไม่น่าติดไม่น่าลุ่มหลงมันพองจึงไม่ติดในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานไม่ติดในอากาสารัญญายตนาะวิญญาณัญญายตนาะอากินจัญญายตนาะเนวสัญญาณสัญญายตนะเพราะเห็นภัยความน่ากลัวรอบด้านของ ของสังขารทั้งหลายเหล่านี้เหมือนในโลกเนี่ยนะ mm. ก็อย่างเช่นว่าพิจารณาว่าเออตาแหน่งพระราชาเนี่ยตำแหน่งผู้นําเนี่ยนะถามว่าใครต้องแบบต้องอาศัยคนอื่นมารักขามากที่สุดก็ผู้นําทั้งหลายเนี่ยนะกลายมาหนักๆเข้าชีวิตไม่เป็นส่วนตัวแล้วใช่ไหมอยู่ที่ไหนจะต้องมีคนห้อมล้อมหน้าล้อมหลังโ อ, อ้ชีวิตหมดความเป็นส่วนตัวหมดเลยครับเนี้ยถ้ายิ่งใหญ่เท่าไรเนี่ยนะโอ้จะไปไหนก็ต้องกว่าจะจะไปไหนได้สักทีหนึ่งนะเคลียร์แล้วเคลียร์อีกตรวจแล้วตรวจอีกวางกองอารักขาสมชั้นหชั้นเนี่ยะนะ <Clear S 2> แต่รอดไหมกองทัพขนาดนั้นก็ไม่รอดเนี่ยนะเาแก่ตายแก่ก็ตายป่วยก็ตายอายุพอหมดอายุใครก็ตายเนี่ยยังไงมันก็สังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นะมันพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นหัตถปาละกุมารหรืออายะคระกุมารเนี่ยนะพวกนี้จะคิดถึงเรื่องเรื่องว่าความตายเนี่ยมันเข้ามาเยือนมันจะสังขารจะดีวิจิตจะเลวจะประณีตก็ตาม อนนัขันห้าเนี่ยจะยางเลวก็ไม่เที่ยงนนก็ถึงขันห้าจะเลวมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราขันห้าจะประณีตก็เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราสังขารขันห้าจะอยู่ใกล้ก็เห็นความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราจะอยู่ไกลขนาดไหนก็มองเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราจะอดีตก็เห็นชัดเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะ เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไหมในอดีตสภาพในอดีตนะั่นเรืองนะถึงก็ไปเลี้ยงโคยังไงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราไม่เหลืออะไรเป็นของเราแล้วอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่อีกเดี๋ยวเที่ยงแล้วจะไปนั่งคุยกันต่อไปไหมตอนเที่ยงอะนะไม่นะแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยนะอ่ะแล้วบ่ายโมงอีกบ่ายสองโมงแล้วพรุ่งนี้ปรืนนี้มาเรื่อ น, นี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดไปได้ไหมแล้วความคิดของเราล่ะ เมื่อมันได้ปัจจัยอย่างนี้มันก็คิดอย่างนี้ไปได้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อทวารตาลืมขึ้นมันก็คิดอีกอย่างทวารหูเกิดขึ้นมันก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งความคิดก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปพันอดีตมันก็ไม่ก็ตามเห็นว่าสังขารในอดีตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราและอนาคตต่อไปล่ะปัจจุบันนี่มันเคยเป็นอนาคตของอดีตปัจจุบันของอนาคตมันจะเป็นเป็นอะไรปัจจุบันของอนาคต ก็คือ อ, อดีตของต่อๆไปอีกเนี่ยนะ